วงที่นักปฏิบัตินะจะได้ฟังทรรมกันก็ฟังตามาการเวลาก็เป็นมงคลเนะมื่อเราฟังแล้ว เรื่องบางอย่างที่เราปฏิบัติอยู่ที่เขาเรียกว่าจุดใต้ตำต่อนะบางทีมันทำให้เราได้แลึกได้ขึ้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยได้ ตรัสว่าสุปพุทังปะพุทชนติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัรโตจะภาวะนายาัรโตมโนซึ่งแปลความหมายว่าพระสาวกของพระพุทธโคโดมหรือโคโดมพุทธเจ้า ผู้มีใจยินดีในการภาวนาเป็นนิตจสีนทั้งกลางวันกลางคืนตื่นดีแล้วเสมอเช่นคำว่าพระสาวกของพระโคโดมพุทธเจ้าผู้มีใจนะยินดี ในการภาวนาอยู่เป็นนิติสีลไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนจะเป็นผู้ตื่นผู้รู้อยู่เสมอท่านั้นเราก็กาหนดดูไม่ว่าใครก็ตามที่มีใจ ยินดีต่อการภาวนาจะร่ำรวยยากจนสูงต่ำดำเตี้ยก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าเรามีจิตนอมมาสู่การปฏิบัติภาวนาอยู่ จะเป็นช่วงกลางคืนหรือเป็นกลางวั น, นทำอยู่ตลอดทำอยู่เป็นนิจสีนทำอยู่ทุกเมื่อนั่นคือคนที่ตื่นแต่คนที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไม่มีใจน้อมมาสู่การเจริญภาวนาเลย จะอยู่อย่างผู้ที่หลับหลับไหลอยู่กับกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหานําพาจิตชีวิตก็มีแต่เรื่องวุ่นวายหนอวุ่นวายจนไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ยุติที่ตรงไหน วุ่นวายไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็สิ่งตอบแทนในที่สุดก็เพียงแค่คำว่าวัตถุวัตถุแต่วัตถุอยู่กับเราได้ไม่เกินร้อยปีเป็นอย่างมาก แล้วเราก็จากสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จากเราไปจะเป็นคำว่าการเหนื่อยที่ไม่คุ้มหรือเปล่าในเมื่อเราเป็นเจ้าของไม่ได้ตลอดก็ได้แค่สมมุติกัน 60-70 เจปี80ปีสุดท้ายแม้แต่ร่างที่เรา ใช้อาศัยอยู่ก็ต้องคืนเข้าไปธาตุดินธาตน้ำธาตุลมธาตุไฟให้นักภาวนาะกำหนดตั้งสติพิจารณาเล็บขนฟันเนื้อเอ็นตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่หัวใจอาหารปอดดีสเสล็้น้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลือง สิ่งที่อยู่กับเราเป็นของที่ไม่กีรังยั่งยืนพอเราภาวนาได้จิตรู้ใจที่แลเห็นโดยธรรมชาติมันเกิดมันปรากฏและดับพอเข้าใจแล้วไอ้คำว่าหลงเนี่ย จะไม่หลงที่ไปแย่งกันจนเอาเป็นเอาตายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยของผู้สร้างบารมีไม่ใช่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าแพ้อย่างพระชนะอย่างมานี่มีแต่เวตรตลอดเช่นวันนี้ผู้ภาวนา เราต้องรู้คำว่าแพ้อย่างพระชนะอย่างมารต้องกำหนดให้ได้ถ้ากำหนดไม่ได้วิญญาณไม่มีความสงบสุขคำนี้เป็นคำใหญ่วิญญาณไม่มีความสงบสุขนอนไหนนั่งไหนเป็นทุกข์ทั้งนั้น จะขี่มอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ขี่อีแทค อ, อีแตนขี่โวอลโวขี่เบนบีเอ็มขี่สปอร์ตรุ่นไหนโรลส์รอยอะไรก็แล้วแต่ถ้าวิญญาณไม่สงบมันก็เหมือนจิตของเรามันจะเหนื่อยเหนื่อยจนไม่รู้ว่า จะให้หายเหนื่อยยังไงก็เพราะเราไม่มีวิชาแห่งการภาวนาฉะนั้นจิตตภาวนาเนี่ยคนไม่รู้กันนึกว่าไม่มีค่าไม่มีคุณค่าแต่พอใครได้ประพฤตปฏิบัติรู้เลยว่าสิ่งนี้เลิศกว่า วิชาใดๆทั้งหมดในโลกใบนี้เพราะอะไรทราบเพราะไม่มีวิชาใดที่จะข้ามห่วงทุกข์และหลุดออกจากกิเลสตัณหาเป็นยางเหนียวได้ครั้งหนึ่งจะมาไปที่ภูหินร่องกล้า ไปนั่งยกมือกราบอธิษฐานต่อหน้าพุทธปฏิมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมีอยู่ประโยคหนึ่งที่จะมาไม่เคยลืมได้กราบแล้วก็ได้กล่าวว่า พระองค์ท่านมีวิชาใดในโลกนี้เรียนแล้วดับทุกได้บ้างแล้วเมื่อเรียนแล้วจบแล้วจะไม่กลับมาเรียนใหม่อีกเป็นอันขาดจะไม่กลับมากอเอ๋ยกอไก่ขอเอ๋ยขอไข่ ไม่ปรารถนาที่จะกลับมาเป็นไก่เป็นไข่อีกแล้วไม่เอาจะเป็นคอควายหรือคอคนหัวแตกขยักก็แล้วแต่ไม่พึงประสงค์แล้วจำได้คำอธิษฐานว่ามีวิชาใดที่เรียนแล้วจบแล้วไม่กลับมาอีก ธรมอธิษฐานครั้งก็จะขอเรียนวิชานั้นให้ถึงที่สุดจนเกิดมรรคผลกิตมารู้เลยวันนั้นรู้ทันทีเลยจิตในจิตใครว่าจิตในจิตนั้นหลับไหลภายในจิตนั้นมีผู้ตื่นรู้อยู่ไม่ว่ากลางคืนกลางวัน ถ้ายังเป็นผู้ภาวนาต้องไม่เป็นผู้หลับในจิตภายในจิตตื่นอยู่ด้วยกุศลธรรมตลอดแล้วก็มีคำตอบด้วยนะวิชาพุทธตื่นรู้เท่านั้นแล้วก็เบิกบานวิชานี้เท่านั้นที่จะข้ามแห่ง เมืองมาหรือดงพญามาได้เขาจะเก่งขนาดไหนสุดท้ายเขาก็แพ้มานจะมาด้วยกิเลสในรูปแบบใดๆก็ตามถ้าเราพอนาถึงจุดเขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวจึงบอก ตื่นดีแล้วเสมอทั้งกลางวันกลางคืนแต่ต้องมีใจยินดีต่อการภาวนายมลองไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ว่าบอกให้ไปอยู่ป่านะให้จิตสัมผัสกับธรรมชาติโยมเข้าใจเขาไหมถ้าไม่เข้าใจจิตของเรายังไม่ละเอียดพอเขาบอก อะไรที่เป็นธรรมเขาบอกอะไรที่เป็นจริงธรรมะกับความจริงเดินกันคู่กันตลอดนะเมื่ อ, อไรไม่จริงเมื่อนั้นไม่ใช่ธรรมฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยต้องอยู่กับสัจจะคือความจริง สัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าขำบอกพราถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเราเองยังรู้สึกสังเวชตัวเองอาตมาก็เคยเรารู้สึกเสียดายวันคืนเวลาที่ล่วงมาโอ้เราไปทำอะไรเนาะ ทำไมเราไม่รู้ก่อนนั้นเวลาชีวิตของเราเราจะได้เพียรเพ่งพยายามปฏิบัติบำเพ็ญบารมีได้อีกเยอะและยมรู้ไม่ค่อบารมีคืออะไรธรรมะเมื่พูดมาสองสามวันที่ผ่านมาอุทิศบำเพ็ญตนและอุทิศตนจึงเรียกว่าการสร้างบารมี ถ้าไม่บำเพ็ญตนก่อนบารมีไม่เกิดแต่ถ้าไม่อุทิศตนสร้างบารมีไม่ได้จะมอกเออจิตมันไม่หลับมันบอกเราเรื่อยๆมันบอกเรานะโยมอยาเข้าใจนะว่าพอเราไม่นั่งสมาธิปุ๊บจระรหมันดับปรับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาเมื่อตื่นรู้เนี่ย แต่มว่ามันเป็นทัศนะตัวหนึ่งที่ที่มันค้นหาค้นคว้าในความรู้ต่างๆในย่านต่างๆในวิถีต่างๆบอกเออยิ่งเราภาวนาไปปฏิบัติไปภาวนาไปมันค่อย ที่บอกรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นตื่นรู้รู้ตื่นตื่นรู้รู้ตื่นตื่นรู้เกิดจากอำนาจแห่งจิตภายในแห่งการบาเพ็ญภาวนาธรรมอาจายบอกว่าบารมีพอบาเพ็ญตนได้บารมีจะเกิดอุทิศตนเป็นการสร้างบารมีเริ่มเกิดขึ้น ไม่ว่าพระโพธิสัตว์องค์ไหนรูปไหนคนไหนก็ต่างต้องเริ่มจากคาว่าบำเพ็ญตนแล้วก็สร้างบารมีโอ้พอคำว่าสร้างบารมีเนี่ยคือการหยิบยื่นคือการแบ่งปันคือการเอื้อเฟือ้อคือการเมตตาคือการช่วยเหลือคือการเผื่อแผ่และความเมตตามาลงอยู่ตรงนี้อ้าว บารมี ami, จะต้องดูเมตาก่อนเมตตาบารมีสามปานโนชัดเจนนะคำนี้นี่ถ้าเราภาวนาไปนะแต่ถ้าโทษาเกิดขึ้นมาหล่ก็เมตตานี้กระเด็นกระดอนหายไปเลยธรรมาจึงบอกเออภาวนารู้จิตเห็นจิตรู้แจ้งเห็นแจ้งเกิดปัญญา เห็นปัญญาดับทุกได้คำนี้สิ้นสุดแห่งการภาวนานะดับทุกได้นิพพานังปรามังสุขขังไม่มีสุขใดแล้วที่จะยิ่งกว่านิพพานคือความดับดับสูงสุดในพระพุทธศาสนาดับทุกดับทุกไปค้นเดินในพระไตรปิฎก จะออกมาเป็นซีดีออกมาเป็นวิดีโอออกมาเป็นหนังสือหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในเว็บไซต์ต่างๆที่ใส่สูงสุดในพระพุทธศาสตราสนาคำว่าดับคือดับทุกใช่จะดับสิ่งอื่นดับทุกเกิดทุกดับเห็นไหมทุกเกิดทุกดับ บรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านดับทุกข์แต่ของมนุษย์อย่างเราๆ เ, เนี่ยบางทีสร้างทุกข์สร้างให้เป็นเหตุก่อเกิดแห่งทุกข์อันมีกรรมวิบากแล้วก็มีเวทพอภาวนาไปภาวนาไปจิตเริ่มเริ่มที่จะรู้ ใจของเราก็เ ร, เริ่มเริ่มที่จะสัมผัสต่อไปโยมจะอยู่กับสิ่งใดใดเนะเหมือนกับเราเห็นสิ่งนั้นเรารู้ในสิ่งนั้นคำนี้ํำไรมากๆเลยอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้รู้ทำอะไรก็เห็นสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะปรากฏ และสิ่งที่จะดับคำว่าโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันเนี่ยนะจะไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสติปัญญาภาวนานำพาจิตชีวิตนั้นอยู่กับคำว่าตื่นรู้และสุดท้ายโยมจะได้คำว่าเบิกบาท ธมาไม่ได้เชื่อว่าทุกคนภาวนานจะได้คำว่าเบิกบานบางคนได้แค่สกบและได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามนะไม่จะวได้แบบเป็นนา น, านแต่บางคนก็ททำได้เขานิ่งสงบใจแม้ถอนออกจากกายที่นั่งอยู่ในรูปสมาธิแต่จิตนั้นยังมีความสงบเป็นสมาธิอยู่นะเมื่อก่อนธรมาเข้าใจแบบตื้นๆเหมือนกัน เราเข้าใจนั่งภาวนาเสร็จปุ๊บพอถอนออกจากสมาธิสมาธิหมดแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิเป็นสภาวะจิตหนึ่งที่เราได้ภาวนาไม่ใช่เกิดจากกายยาเกิดจากจิตตาอ้ า, อาความโกรธไม่ใช่เกิดที่ร่างกายนะแต่แสดงออกมา ยืมร่างกายในยเป็นตัวแสดงให้เห็นความเครียวกลั่นให้เห็นความดูไร้ให้เห็นสิ่งที่ตนแสดงออกมาว่านี่คือการบรรดาโทสะแต่จริงๆภายในลึกๆนั่นแหละตัวจิตมันคือโทสะสมาธิก็เหมือนกันพอจะมาจับได้ว่าอรู้แล้วใครไม่รู้เรารู้แล้วก็บอกนั่งสมาธิและเจ็บปวดไปหมด เออเออหลังไหลทุกทรมานมันเบื้องต้นนะใช่แต่ต่อไปเนี่ยพอเกิดสติปัญญาในระดับหนึ่งไม่ใช่อิริยาบถสี่สมาธิเกิดได้ต่อเนื่องเลยในอย่างเรานั่งพอเจ็บปวดเน็บเหนื่อยร้อนชาอันนั้นมันคือกา ย, ยานะแต่จิตตาถ้าเรารักษาได้ โยมลุกไปกินน้ำจิตมันยังนิ่งอยู่นะยังเป็นสมาธิอยู่เพราะอะไรสมาธิเราไม่ใช่หัวต่อแต่สมาธิต่อให้เกิดแห่งปัญญานี่คือหลักของพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นตอนะแต่สอนให้แตกยอดโอ้ตองมาบอกเลื่อมใสลึกซึ้งพระพุทธศาสนาใครไม่เข้าใจ รู้แค่ว่าสมาธิสงบนิ่งอย่างตามาบกในที่สุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยคำว่ารู้เนี่ยมันต้องตื่นรู้แล้วต้องมีปัญญาพอเข้าใจถึงเห็นคำว่าความดับธารมมีความสุขนะพอ เข้าใจทำในระดับหนึ่งเราต้องใช้แว่าในระดับเรารู้สึกมันพอดีชีวิตมันพอดีเราได้โอกาสชีวิตเราได้มีเวลาให้กับชีวิตเรามีบุญกุศลให้กับชีวิตที่เราเกิดมาบําเพ็ญสร้างบารมีบอกวาสนา ใครว่าคนจนคนรวยคนปานกลางจะมีวาสนาหรือไม่มันอยู่ที่ว่าสติปัญญาเรานะใช้เป็นแค่ไหนเอา้าถ้าเราใช้เป็นโยมโอ้เข็นรถเข็นกับพุโธพุทโธพุทโธดูซ้ายดูขวารถวา่ากพุทโธพุทโ ธ, ทธไปเรื่อยเรื่อย พระออกบิณาบาดประจับบาทพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธกำหนดภาวนาไปเรื่อยเรื่อยยยมกวาดขยะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธทำไมต้องพุโทโธเพื่อเจริญสติให้จิตของเราอยู่กับองค์ภาวนาเพราะอะไรโดยปกติจิตมักปรุงแต่ อาตอมากล้าบอกเราโยมจิตไม่นิ่งหรอกในสองชั่วโมงนี้ให้แบบนิ่งจริงๆนะไม่ไม่ใยับไม่เคลื่อนไม่ปรุงไม่แตง่งไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาอะไรปรากฏขึ้นนะอาตอมาบอกยากเพราะอะไรอินทรียบารมีกำลังของเรายัางไม่ถึงแต่ทำได้แต่ว่ามันต้องเป็นสเต็ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่มเพิ่มพิ่มเพิ่มเหมือนหยดน้ำค่อยๆเพิ่มไปสั่งสมบารมีไงบอกบำเพ็ญตนเสร็จแล้วอุทิศตนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มจากบำเพ็ญตนก่อนนะและ้วอุทิศตนบิดหน้าบารมีธรรมะเพิ่งรู้สองสามวันนี้เองไม่ใช่เกิดมารู้หมดไม่ใช่ อย่างนั้นไปจำ้ามาแล้วจก็ า, าถ้ารู้เองเนี่ยมันค่อยๆผุดค่อยๆโปรคล้ายๆจิกซอจับหน้าจับหลังมาต่อหางต่อข้อต่อแขนค่อยๆดูไปออพอเข้าใจออมันค่อยๆต่อต่อต่อบอกเออเอาล่ะเรารู้แล้วบำเพ็บเพนนิบําเพ็ตนอุทิศตนบอกวบารมีเกิดอย่างนี้นี่คือเขาบอกทางเราให้เดินนะ บอกทางให้เดินเะนั้นโยมเป็นผู้ภาวนาเนี่ยนี่คือการสร้างบา ร, รมีเป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีก่อนนะ่ะโอ้โหแต่พอยมบําเพ็ญไปเรื่อยเรื่อยบา ร, รมีบําเพ็ญเริ่มเกิดเกิดเกิดศีลสมาธิปัญญาเริ่มเกิดเกิดเกิดอํานาจฌานเริ่มเกิดปัญญาเริ่มเกิดทุกอย่างพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องเรียกว่า ต้องสร้างบารมีอุทิศตนที่นี่เอาแล้วเริ่มเพื่อแผ่แล้วเริ่มเพื่อแผ่การภาวนาเริ่มแล้วเริ่มนำธรรมมาบอกสารพัเหมือนคนมีก็เริ่มเจรจาทีงบอกเออเราอยู่อย่างผู้ไม่มีเวท เริ่มแต่ชาตินี้เป็นต้นไปถ้าโยมเริ่มบำอุทิศตนนะเวรจะหยุดแล้วนะแต่มนุษย์พวกเราทุกวันนี้ยังไม่เริ่มอุทิศตนกันเลยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบคดกงสารพัดที่จะเอามาใช้ในเชิงจะบอกธุรกิจกันแล้วแต่ทรมาหากินกันแล้วแต่ หรือสวงหาทรัพย์ก็สุดแล้วแต่แต่สุดท้ายเราไม่ได้สร้างบารามีเลยธรรมะจึงบอกที่สุดเราได้แค่วัตถุเป็นสิ่งตอบแทนแต่เขาไม่ได้ทำให้ใจเรานี้เบิกบานนะยมเชื่อไหมเรานอนหมดแรงแล้วต่อให้นอนอยู่บน เป็นทองคำเป็นเพชรประดับอย่างดีบ้านสวยหรูหมดแต่นอนแบบไม่มีแรงนะยดว่ามันจะเป็นสุขไหมแต่มาบอกเลยบิน ญ, ญาณเมื่อไม่มีความดับเย็นไม่มีความสงบสุขไม่มีความสงบ ในชาตก็ไม่มีศีลก็ไม่มีการภาวนากุศลจิตก็ไม่เกิดจะมาอยา ก, ยากถามกินยังไงจะให้เกิดสุขไม่มีทางหรอกกินไม่ไอะกินมากก็มีแต่โรคอ้วนตามมาไม่มีสุขมันต้องเกิดจากจิตภายใน เบิกบานสดชื่นอิ่มเอิบราเริงกุศลเกิดในใจเรารักษากุศลได้โดยไม่เสื่อมความเพียรแท้จริงที่ทํามาได้กาหนดดูคือเจริญกุศลไม่ให้เสื่อมนี่คือความเพียรที่แท้จริงใครที่บอกเพียรเพียรเพียรถามาละอาุศลได้หรือยังรักษากุศลได้ตลอดไหม ถ้าไม่ได้แต่ว่าไอ้ น, นั่นมันท่าลีลาที่เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ว่าจิตยังรักษากุศสไม่ได้แต่บองโอ้ท่าดีแต่ทีเหลวก็มีบางคนเอาบางคนท่าไม่ดีนะแต่ว่าข้างในเนื้อดียมจำสดหนึงได้ไหมมีพระหนุ่มรูปหนึ่งท่านบำเพ็ญสำเร็จโสดาปฏิพล ท่านเดินทางมาและในระหว่างทางก็เจอพระรูปหนึ่งก็ชลาภาพแล้วนะท่านก็นอนพระโสดาบันท่านก็เห็นท่านตำน้นิเลยนะท่านบอกใหญ่ยังประมาทประมาทไปใหญ่วัยขนาดอายุ ขนาดนี้แล้วไม่ควรที่จะมาประมาททำไมไม่รีบเร่งภาวนาปฏิบัติประมาณนี้เพราะก่อนจะจากพระโสดาบันถามบอกพระคุณเจ้าภาวนาปฏิบัติได้มรรคผลขั้นไหนแล้วท่านตอว่าท่านได้ สกทาคามีสกะทาคามีผลเท่านั้นเลยโยโสดาบันในคุกเข่าแล้วก็กราบเพื่อไม่ให้มีเวรกรรมสมัยก่อนนีเขารู้คุณธรรมกันแบบจิตเขารู้จริงๆเนาะท่านก็บอกว่าเราไม่ได้ประมาท แม้เรานอนอยู่แต่จิตเราก็ยังตื่นอยู่นี่คือรูปกายของเราที่เราใช้มาด้วยความชลาแต่จิตตาของเรานั้นยังสว่างสวัยมีความรู้ตื่นแจ้งในธรรมอยู่ตลอดเห็นไหมฉันโยมเวลาภาวนาไปอายุมากไปอย่าไปท้อแท้นะ โอ้อยันนึกว่าแก่ไร้ค่าแก่ไม่มีความหมายแก่แล้วไม่เกิดประโยชน์ปะโอเข้าใจผิดใหญ่โตแล้วไม่ใช่นะอยู่ที่คุณธรรมยิ่งเราปฏิบัติแตร่รุ่นรุ่นอย่างเงี้ยน่ะโอการสั่งสมบำเพ็ญตนบารมีสั่งสมบารมีแล้วก็เราอุทิศสร้างบารมีตมาว่าสบยี่สิบสามสบปี พวกเราไปได้ไกลนะไปได้ไกลนะก็เหมือนคนทำบาปวันละครั้งสองครั้งวันละอย่างสองอย่างเนี่ยโอ้โหถ้ารวมกันสามสี่สิบปีนี่ไม่รูนนรกขุมไหนแต่นี่เราสร้างบุญกุศลรักษาจิตกุศลไม่ให้เสื่อมเนี่ยความเพียรแท้จริงและเราหยุดบาปด้วยนะคนที่เขาภาวนาจริงๆริงจะมาบอกเออหนึ่งหยุดบาป สองไม่สร้างเวรกรรมสามบำเพ็ญกุศล ส, สี่รักษากุศลไม่ให้เสื่อมอีกเลยปตมารู้แล้ววิธีรักษาจิตยังไม่มีคือเอากุศลมาเป็นตัวมาชูรักษาไว้ก่อนเอา้าสบายเดี๋ยวนี้โ้เจอใครไม่คิดร้ายกับใคร ใครดีไม่ดีเรารู้แล้วเราก็วางใครคนครบไม่ครบเรารู้แล้วเราก็วางเราไม่ใช่ไปติดหรือต้องไปยึดทั้งสองฝ่ายเพราะสุดท้ายจิตของเราต้องว่างเปล่าในที่สุดจึงพ้นจากพบน้อยใหญ่ได้ฉะนั้นสำคัญผู้ที่ภาวนาถ้าไม่รู้ใหม่ๆเอาเรื่องยึดติดธรรมดา แต่พอถึงจุดหนึ่งจิตตาต้องรู้นะว่าวิปนะัสสนาทาไม่แจ้งและต้องดับทุกข์เพ้โยมไปดูเถิดตะวั อ, อสุดท้ายคำสอนของพระพุทธเจ้าใครว่ายาวตะมาว่าไม่ยาวไม่ยาวพูดเป็นเกก่นแ ท, แท้เนื้อ วิธีปฏิบัติคือศีลสามาธิปัญญาสุดท้ายคือดับทุกขสิ่งที่ได้คื อ, ค, อความพ้นทุกโอ้ที่พูดมาต้งหมดนั่นคือระยะทางที่เดินแต่สิ่งที่ถึงจริงๆคือพ้นทุกข์ดับทุกข์เออเข้าใจละวทีนี้ผู้ภาวนาทำอย่างไร ทำอย่างไรใจที่เดือดดานทาให้เย็นลงใจที่โปร่งไม่ได้เป็นทุกข์ทำยังไงให้มันสงบลงหาวิธีเจาะไม่งั้นโยมปฏิบัติตามรูปแบบต่อมาบอกชาตินี้อาจจะไม่ทันนะ<ส>เวลามันไม่พอนะเราต้องออกปัญญาเข้ามาช่วยทำอะไรมันสมัยนี้บอกทำอะไรมันต้องใช้เทคนิคทามาช่วย ของหนักก็ต้องหาวิธีสร้างอะไรขึ้นมามายกไม่ใช่ตัวเราไปแบกโอ้ไม่ไหวไม่ไหวที่บอกเออเราจะทำสะพานจิตข้ามนิมิตร้ายๆทั้งหลายให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเราจะต้องเดินไปด้วยศีลสมาธิปัญญา พยมภาวนาเสร็จยมถามตัวเองได้บอกตอนนี้เรามีศีลได้ยังเขาจะตอบได้เลยศีลเราบริสุทธิ์ไหมรักษาได้สม่ำเสมอไหมเขาจะตอบได้เลยแล้วถ้าบอกยังยังประมาทอยู่ทำไมไม่รักษาจะมีเหตุผลอะไรเดี๋ยวเขาสะสาง่ง กิจกับธรรมจะสะสารกันสติกับปัญญาจะคอยสอดส่องคอยระลึกรู้ตื่นรู ouais. ้ตื่นรู้ตื่นรู้มันเหมือนนายช่างแกะสลักค่อยๆประดิษฐ์ประดอยค่อยๆแกะค่อยๆแกะค่อยๆแต่งค่อยๆแกะค่อยๆแต่ค่อยๆแต่งค่อยๆแกะการภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่วันดีผู้บปั๊บวันเดียวมาบอกโกหกทั้งนั้นเลยเรื่องไม่จริงไม่ขึ้นมาทั้งนั้น ถ้าเรื่องจริงๆเนี่ยโอ้โหเงือท่วมโอ่งกว่าจะได้บำเพ็ญจนถึงจุดภาวนาคันแบบขมสภาวะที่เราจะรู้ได้ไม่ใช่เงือหยดสองยดยไม่ใช่นะโอ้ยไม่ใช่ว่า เดียวๆปฏิบัติแล้วต่อเนื่องอีกนะปีปีปีปีปปแล้วหลายหลายปีภาวนาไปแต่มาจึงบว่ยืนเดินนั่งนอนมันเป็นแค่รูปเอียบหแต่ธรรมเนี่ยต้องเกิดตลอดธรรมหลับไม่ได้ตราบใดเราหยุดหายใจไม่ได้สติก็หลับไม่ได้ มันต้องตื่นเมื่อก่อนจะบอกนอนแบบไหนก็บอกนอนแบบพูดตื่นถ้าตื่นแล้วเขาจะเรียกว่านอนหรือนี่ช่างสงสัยเหมือนกันจมาถ้าตื่นเขาบอกตื่นตื่นแล้วมันจะหลับแล้วหลับกลนคลอกคลอกถ้าหลับอย่างนี้มันก็สนิทไม่ใช่หรือนีมันสงสัยนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปรู้ ทำรู้ขึ้นมาเลยแต่มาบอกเดี๋ยวก็สงสัยต้องสงสัยแล้วก็รู้แล้วก็รู้แล้วมาสงสัยแต่บอกรู้ไม่จริงอย่างนั้นอเออแล้วเขาหลับยังไงหลับแบบตื่นนะลองนอนตะแคงดูสิอ่าค่เรียนแบบมาลองนอนตะแคงลองเออฝึกวิธีนอ น, อออ น, อนหรือเอาวันนี้คืนนี้เราไม่หลับลองนั่งดูนั่งหลับ เริ่มรู้ตอนนั่งโยมเชื่อตำานนั่งจงนั้นเพียนปฏิบัติเน้นเรื่องฌานเยอะนั่งึบมันไม่ใช่หลับมันดับเปลี่ยนจากคำว่าหลับเป็นดับธาตุขันที่เรานั่งมันหยุดนิ่งก ด้วยอำนาจของฌานหลับน่งก็แต่ทุกอย่างในสติสมบะเราตื่นรู้อยู่อเออหลับกับดับไม่เหมือนกันดับไปขณะหนึ่งเออไม่ใช่ถ้าดับยาวเลยนั่นก็คืออีกเรื่องนะดับในขณะ มีหน้าที่บอกเขาเข้าฌานสมาบัติเก้าวันเจ็ดวันอ๋อท่านดับไปในขนาดหนึ่งจริงอยู่ได้ร่างกายอยู่ได้แต่ถ้าหลับนี้เดี๋ยวต้องขยับแล้วนะอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหิวล้วเดี๋ยวต้องขับถายล้วที่บอกอานิสงส์แห่งการปฏิบัติมันมีอํานาจของฌานที่ คล้ายๆสตาร์บเทียบเคียงให้แค่นี้คล้ายๆถูกสตาร์บ๊บเออดับไม่ใช่หลับไอ้ที่คนนั่งหลับไม่ใช่ดับหลับแล้วก็กรนคลอคร อ, อ, อ, ครอนอนก็เหมือนกันภาวนาะ อาจมาบอกอยู่เรื่อยๆในช่วงหลังว่าให้หัดกำหนดภาวนาไว้เหมือนเราแต่งชุดก่อนนอนนี่อารมาบอกเราแต่งชุดไหนพอหลับไปตื่นมาก็อยู่ในชุดนั้นนิเวศศาสตร์พิสูต์ได้เลยแล้วนอนอยู่ในชุดไหนหลับตื่นมาก็อยู่ในชุดนั้นการภาวนาจิตก็เหมือนกัน ถ้าเราภาวนาจิตถ้าจิตอยู่ในฌานแห่งความสงบหรือเกิดอยู่ในกุศลและพอเราหลับนี่ใช้คำว่าหลับนะพอเราหลับไปจิตดวงนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะแห่งการบําเพ็ญกุศลอยู่ตรงนี้ได้กําไรได้กําไรนะหลับด้วยกายแต่ใจตื่นด้วยกุศล บอกโอ้โหหลับแบบพูดตื่นตอนนั้นเข้าใจคำว่าดับแต่พอถึงตอนนอนอ๋อหลับตื่นอย่างนี้เองกุศลเราไม่ได้หลับด้วยนะจะสังเกตตอนไหนรู้ไหมพอตื่นปุ๊บต่มาลืมตาปาาก่อนลืมตาสิพอมีความรู้สึกกำหนดจิตก่อนเลยวอ้สบายจิตอ๋อเมื่อคืนนอนในชุดนี้นี่ ตื่นมาก็อยู่ในชุดนี้ก็ ล, ลืมตาไปรูปหน้าล้างหน้าใจสบายกายงงเงียนหน่อยนะเรื่องกายก็ต้องย้อให้เขาเขามีหน้าที่อะไรเขาก็ทำตามเขานะโยมจะไปบอกว่าคุณอย่าแก่ยาเจ็บคุณยาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอนัตี่เราบังคับได้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ทะเลาะกันกายกับจิตเรารู้กันไม่ทะเลาะกัน ไปทำหน้าที่ล้างหน้าล้างตาแต่จิตเรารู้กาหนดอยู่อ๋อเมื่อคืนเราหลับแต่จิตเราภาวนาตื่นมาใจเราสบายแล้วถ้ายมทำบ่อยๆจะมาบอกไอ้ที่ว่านอนหลับฝันเห็นผีผีมาหลอกฝันคนไล่แทงฝันตกบ่อตกสะพานตกหน้าผาตกต้นไม้เนี่ยเลิกฝันเลิกเลิก ถ้าจะเกิดเกิดเป็นนิมิตก็เรียกมีนิมิตมาบอกอาจจะลางสังหอนเทพมาบอกในประมาณนี้นิมิตแต่ไม่ต้องไปยึดถือแต่หลักๆถ้าเราทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยนะยมจะหลับอยู่ในกุศลธรรมพอตื่นมาเนี่ยโอ้โหแปดชั่วโมงโยนนอนหลับกำไรเท่าไหร่ บางคนติดเป็นสมาธิพอหลับโอ้โห و, ในแปดชั่วโมงนี่หลับสนิทเลยคุ้มเกินคุม้มนนะการหลับอย่างนี้เรียกหลับแบบเป็นผู้รู้ตื่นหรือหลับอยู่ในฌานสบายเลยกายจะนอนกลนช่งางไปแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วนี่หน้าที่ของกายธาตุสี่เขาเหนื่อยมากเขาก็ต้องกลนดมามะสาเขาจ ะ, จะกลนเป็นพักๆหรือจะกลนตลอดคืนก็สุดแล้วแต่ ถ้ามีแรงก็กลนเถอะตื่นมาคอแห้งเสียพลังงานแต่ก็ดีนะกับอะไรเขาเรียกเผาผ่านแคลอรี่เออให้มันดีธารมาบอกท่า น, นโยมนอนจิตอยู่ในขณะไหนก่อนจะหลับอย่าให้เสียจังหวะรักษาธารมาฝึกทุกวัน นอนฝึกจนว่าตัวเองนอนนี่ขยับหรือเปล่าตื่นมาปุ๊บก่อนจะขยับกายนี่ทำความรู้สึกก่อนแล้วก็ไปลืมตาแล้วก็ดูกายาเรานอนฝึกที่บอกสุดท้ายเป็นนอนอยู่ไหมกระดานแผ่นเดียวแต่ต้องค่อยๆฝึกนายมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมันมีสภาวะของมันพอมันถึงจุดที่นิ่งมันก็จะนิ่ง หนึ่งพลิกเรารู้แล้วบอกเออมันไวสุดท้ายแม้แต่กำหนดว่าพรุ่งนี้จะจะตื่นนะตื่นสักกี่โมงจิตมันคอยแล้วเออแปลกถ้าบอกวันนี้ไม่ตั้งจิตไว้นะมันก็ปล่อยสบายบอกเออมันก็มีส่วนถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีส่วนทำให้เรา มีความระมัดระวังมากขึ้นอกเนี่ยพอเรากําหนดบ่อยๆเข้ามันเหมือนคนรู้จักกันยมเชื่อไหมล่ะคํานี้เออมันสนิทกันดีมันเหมือนคนรู้จักกันะนะยมภาวนาไปภาวนามาเหมือนใจเรารู้กันเมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้เอาแต่ใจตัวเองแต่ไม่เคยเอาใจที่เป็นธรรมเอาคนที่กิเลสมากๆเนี่ย เอาใจตัวเองนะแต่ไม่เคยเอาใจที่เป็นธรรมะสุดท้ายวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ฉันต่อไปผู้ภาวนานอย่าให้ขาดทุนเวลานอนหลับอยู่ด้วยกุศดหลับอยู่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วค่อยๆทาความรู้สึกพอลืมตพอตื่นทําความรู้สึกก็แล้วลืมตา กำหนดจิตล้วก่อนเลยตาไว้ลืมสุดท้ายก็ได้ค่อยลืมตาแล้วโยมจะใช้กายาทำกิจอะไรในชีวิตประจำวันไปทโอ้โหถ้าโยมทำอย่างนี้ได้นั่งเดินยืนนอนเนี่ยิบสี่ชั่วโมงโยมได้ตั้งไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่ถ้าโยมได้เฉพาะมานั่งอย่างนี้นะต่มาว่ามันเสียโอกาส แตมาได้กำไรตรงนี้นะต่อเนื่องหลายปีต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อเราจึงดูสภาวะว่าเออหยุดนิ่งสงบรู้ตื่นแจ้งไหวเคลื่อนหยุดนิ่งรู้สงบตึงหย่อนเรารู้หมดรู้นั่งสมาธิมือค้อยขยับนิดก็รู้ความคิดขยับก็รู้จิตปรุงแต่งก็รู้เรารู้ทุกการเคลื่อนไหว แต่สมาธิฐานตั้งไว้เพื่อไม่ให้เกิดความหวั่นไหวเออดีดีดคาว่ารู้เราไม่จำเป็นต้องฟุง้งซ่านคิดก็ไม่จำเป็นคิดแล้วจะต้องฟุง้งซ่านเออดีดีฝึกฝึกฝึกต่อตอนหลังจะมาจึงรู้บอกมันคือกำลงังมันเป็นกำลังสมาธิเป็นกำลังจิตเป็นกำลังสติโทษชง เอาไปโยมไปดูสติพุทธชงมีอีกนะไม่ใช่สติธรรมดานะพอเป็นมหาสติโอ้โหสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ไม่ใช่ที่พวกเราพูดเราสติ ส, สติแบบเราพูดกันแบบลอ ย, ลอยเลือเล่อนลอยไม่ใช่แต่นี่มหาสติมหาสติปฐาน ไม่ว่าจะเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมนะพอ ก, กาหนดปุ๊บมันมันมีกำลังกุ๊บรู้นะกายเป็นยังไงเวทนาเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรธรรมเกิดอย่างไรเนะี่ย <ule bola> เขาไม่เผอเลยพอถึงจุดนี้นะถึงบอกไม่เผอเลยแต่มาจริงบอกออ คนมีธรรมะจริงเขานิ่งเป็นเคลื่อนไหวเป็นหยุดได้วางได้ปล่อยได้เร็วได้ช้าได้มันเหมือนเข้าใจธรรมชาติของเวลานั้นต้องทํำยังไงแล้วมันกลืนเนียนไปเลยเธอบอกเออใยต้องเสียใจแต่ห่วงใยต้องมีเ อ, อ เขาสอนเราห่วงใยมีถูกต้องแต่ไม่ต้องเสียใจพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องรู้จักว่าหน้าที่ทำแล้วโอมันเหมือนคนวิเศษต่ ม, มาจะบอกโยมไงดีพะโยมรู้จักธรรมะอีกจุดหนึ่งข้ามไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดแล้วเหมือนคนเออใช่ว่าพิเศษคำว่าพิเศษมันเหมือนกับ มันกระชุ่มกระชวยมันมีคุณค่าเรารู้เวลาเรารู้ราคาเรารู้ประมาณทุกอย่างทุกบอกพิเศษไม่ใช่ว่าแพงนะเรารู้สึกมันน่าอยู่เราสัมผัสเราสัมผัสกับมันได้หลายๆอย่างบอกเออธรรมะสอนให้เราสัมผัสกับธรรมชาติสอนให้เราสัมผัสกับความเกิดตาย สอนให้เราสัมผัสกับอุปสรรคปัญหาสอนให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบางทีต้องบอกขันติบาลามีเพราะถึงเวลาโยมต้องใช้ให้เป็นนะโยมอยากเข้าใจปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องอดทนบอกโอ้เข้าใจผิดบางทีปฏิบัติต้องอดทนอดกลั้นนะอดทนสภาพทางกายอดกลั้นทางจิตใจสองอย่างต้องมาด้วยกันกายอย่างเดียวไม่ไหว จิตอย่างเดียวก็ไม่อยู่ต้องสองอย่างบางทีเพราะกายกับจิตนมันต้องช่วยกันนะช่วยกันถ้ากายแย่นี่ทำอะไรก็ลําบากเลยนะมันต้องช่วยกันจะบอกเออเริ่ ม, เ ร, มเริ่มรู้แต่พอถึงจุดหนึ่งโยมต้องยอมรับความสูญเสียถ้ายอมรับไม่ได้ธรรมะอนัตตาไม่ได้ จะมาจำได้พระพุทธเจ้าในสุดครั้งหนึ่งที่บอกทรงได้ทอดพระเนตรเป็นครั้งสุดท้ายในบ้านเมืองเกิดที่เคยเติบโตมาแล้วก็ทราบว่าจากต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ได้เห็นอีกเลยแล้วเราจะไม่ได้กลับมาอีกเลยเป็นครั้งสุดท้ายเ็าเรียกตอนอาวสานโยมรู้สึกยังไงชีวิตจะอาวสาน ของเคยใช้ม้าเคยขี่เก้าอี้เคยนั่งเตียงตั้งเคยนอนละครเคยดูทุกอย่างบุคคลที่เคยรู้จักวันนี้โยมต้องเดินออกจากสิ่งนั้นถ้าจิตเราไม่หวั่นไหวตั้งมาว่าไม่ใช่คนธรรมดาเราพร้อมไหมบ้านหลังที่เรานอนทุกอย่างที่เราแตะต้องจับต้องทุกอย่างที่เราสัมผัสอยู่ เราจะจากมาแล้วโดยใจที่ไม่มีความอะไรอาวรณ์ความเสียอกเสียใจหรือความสูญเสียอะไรสักอย่างเราไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยรู้แต่ว่ามันเป็นธรรมเกิดและก็ดับถึงเวลาและที่ต้องจากความพัดพรากมันเป็นกฎธรรมดาจิตตานี้รู้แจ้งแล้วหนอ แล้วก็เดินอย่างผู้สว่างไปเนะโอ้โหอยู่ถ้าอย่างพวกเราเดินไปด้วยข้าบน้ําตาแต่มาเชื่อเดินไปด้วยจิตวุ่นวายอะไรอววรเดินไปด้วยมันเหมือนสูญเสียมันเหมือนศูญเสียแม้ตอนนี้แตมาก็กล้านะว่าในเก้าสิบเปอเเป็นแบบนี้หมด กว่าจะจิตเราไปถึงจุดนั้นได้ต้องบำเพ็ญตนอีกไม่ใช่น้อยและอุทิศตนสร้างบา ร, รมีอีกไม่ใช่น้อยอีกกว่าจะบา ร, รมีสองอย่างนี้มารวมกันบำเพ็ญตนสร้างบา ร, รมีจนเกิดเดชะตบะ สามารถที่มีจิตอยู่เหนือโลกใบนี้ได้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาจะมาไปแล้วโยมจริงไม่รอโยมหรอกจะมาไปหลายปีแล้วไปแต่ว่าเวรกรรมมันก็มีอยู่หน้าที่มันก็มีอยู่ก็ต้องช่วยๆกัน ไม่ใช่ว่าอยากทำก็ได้ทาอยากเป็นก็ได้เป็นไม่ใช่พอเราภาวนาถึงจุดหนึ่งบางทีต้องหยุดความรู้สึกส่วนตัวความต้องการส่วนองค์ไว้อย่างนั้นจะเรียกว่าอุทิศตนไม่ได้โอ้มันคานกันเยอะนาะตอนรแรกๆคานกันมันคานกันเหมือนว่าเราไม่อิสระแต่จริงๆไม่ใช่นี่คือสิ่งที่สูงสุด คำาบารมีโยมหัดสร้างบารมีกันได้แล้วเริ่มจากของเล็กเริ่มจากยิ้มให้คนอื่นมีความสุขก่อนอ้าไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่เจอใครก็ทำหน้ายักษ์นางอโอูยเงไม่ได้สร้างบารมีเลยโยมนี่ยังเป็นยักษ์กอยู่นะเนี่ยยักษ์ก็ยังแบ่งกันนะยักษ์ใจดียักษ์ใจไม่ดีอีกนะ ถะยิ่งภาวนาไปตามารู้อนะบารมีต้องสั่งสมจิตใจต้องบำเพ็ญสองอย่างยิ่งบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปเนะี่ยโยมเชื่อว่าจิตจะอยู่เหนือวัตถุแต่ถ้าใครยิ่งไม่บำเพ็ญ ยิ่งหลงมากวัตถุอยู่เหนือจิตใจอายอมไปกำหนดดูสองข้อ น, นี้นะมันชัดเลยนะหนักๆเขาวัตถุมันจะทับไอ้นั้นตายโลกใบนี้จะทับไอ้คนเนี่ยตายเขาไม่รู้หรอกมันมากเกินแล้วมันเกินจากสิ่งที่ควรพอคนเป็นควรอยู่สิ่งนั้นมันจะเป็นของหนักสุดท้ายก็จะทำให้คนคนนี้ไม่มีความเป็นสุขเลย แล้วสิ่งนี้จะถูกแย่งกันนะถูกแย่งมันเป็นของที่เขาจะบอกว่ามันเป็นของที่มนุษย์ยังมีความหลงอยู่ก็มีการแย่งชิงอยู่แต่ธรรมะไม่มีใครแย่งชิงถึงแย่งชิงก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมมันเกิดจากกุศลคนที่จะเจริญกุศลได้ก็ต้องมีเมตตก่อน อาโยไม่มีเมตตาเนี่ยธรรมากล้าพูดทุกคนที่นี่มีเมตตาหมดมีถ้าไม่มีภาวนาไม่ได้มีแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนบอ พ, พอยิ่งภาวนาไปภาวนาไปต่อไปบยมเริ่มรู้นะว่าเอ้ยเรามันโกรธนะหลายคนภาวนามาบอเต็มมาบอกพระอาจารย์ โยมปฏิบัติทุกวันนี้ทําไมกิเลสโยมมันหนาขึ้นหลายคนมาบอกธรรมาบอกโยมกิเลสโยมไม่ได้หนาขึ้นมันหนามาแต่ก่อนแล้วล่ะนี่พูดจริงนะแต่โยมเพิ่งกําหนดรู้เท่านั้นเลอะบอกใช่โยมแต่ดีนะทําไมอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองชั่วแล้วไง หรือรู้ว่าเออเราเป็นอะไรหรือเรามีอะไรหรือเราเกิดอะไรขึ้นเราเริ่มรู้สึกตัวโยมกําหนดกิเลสได้โยมเริ่มรู้เราเคยทำผิดเราเคยมีความชั่วโยมเริ่มรู้ชั่วดีผิดถูกแล้วในตะหมกดีนะโยมโมทนานด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นฮีเิโอตบ่ายกำลังจะเกิดกับโยมแล้วความละอายเริ่มเกิดความเกรงกลัวเริ่มเกิดพอเราเริ่มปฏิบัติไปไม่ใช่กิเลสมัน มันมากขึ้นสติเราระลึกได้อา้าวพอทำไปทำมาสุดท้ายโยมเห็นว่าตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้เป็นความอยากตรงนี้เป็นความโลภเรื่องจริงแต่ค่อยๆทำไปค่อยๆนั่งกำหนดจิตไปบางคนนั่งเบานาเจ็บเน็บปวดร้อนชาน ไม่ใช่อุปสรรคยอมจะพลิกซ้ายพลิกขวาแต่มีวิธีฝึกนิดเวลาเราจะขยับขยายจะพลิกอะไรเนี่ยทำความรู้สึกก่อนนั่งทางในนั่งให้เห็นว่าเรากำลังนั่งสมาธิกําหนดรู้อยู่อากจากขยับทําความรู้สึกให้กายเคลื่อนไหวจิตไม่ไหว เราจมาฝึกที่แรกจะมาไม่รู้พอตอนหลังเอ๊ะกายเคลื่อนจิตไม่เคลื่อนเอ๊ะแปลกในลองไหวกายกายไหวจิตไม่ไหวเอ๊ะแปลกมันแปลกตรงนี้นะยพยายามภาวนา ด, ดูมาถึงจุดพอายมได้ถึงสภาวะที่นิ่งสงบบางทีพอเราขยับกายนิดหนึง่งใจเรายังนิ่งเหมือนเดิมมันขยับแค่กายแต่ข้างในไม่ขยับเออ แปลกดีจังไอ้ลองขยับมือดิทดสอบทดสอบเออมือไหวรู้มีความรู้รู้ตัวยกมือแต่ใจเราเฉยเออดีจังออฝึกไปมันก็ค่อยว่ากายจิตสติกับธรรมมันก็ค่อยแยกค่อยรู้ค่อยรู้ค่อยรู้เหมือนเรารูปคำทุกวันคนตาบอดก็จำได้ยอมเชื่อลเบลา เอายอมภาวนาทุกวันแต่โถทำไมจะไม่รู้คนดาบอดคํามทุกวันยังรู้ทางเดลยยังจําได้แต่เราปฏิบัติเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ทำลูกคําอยู่ทุกวันโถมันไม่สะอาดมันไม่ใสก็มันรู้ไปเอาเนี่ยให้มันรู้ไ ป, ไปแต่มาไม่กลัวหรอกโอ้ไม่ไผ่สีใบสีมาก็บอกเกิดไฟได้ใช่ไหม หัวใจกับธรรมะสีกันทุกวันให้มันรู้ทีไม่ตื่นไม่รู้ถูกไหมโยเอะยังไงก็ต้องตื่นรู้ไม่วันใดวันหนึ่งเอาละ่ะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแล้วกันไม่ชาติหน้าอาชา ต, ติต่อไปแล้วกันแต่อย่างน้อยเรามาถู ก, ถกทางแต่มานั่งดูแลก็กลายเคลื่อนเออกลายเคลื่อนจิตไม่เคลื่อนออแล้วจิตเรานิ่งสงบดี นั่งดูสติเราตั้งมันลืมตากายเราตั้งแบบไหนเออการเราก็ตั้งตรงดีบางทีบางทีดูมั น, ดด ม, นมันโยกวุ้บเฮ้ยมันหลอกหรือมันจริงเขค่อยหลีตาดูเฮ้ยมันนั่งตรงอยู่นะสมัยเมื่อกี้มันดูเหมือนโครงไปโครงมา ต่ำมาก็ค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆๆไม่ได้พูดเล่นนะเขาค่อยหลีดตาดูก็เหมือนกันนั่งอยู่นะแต่เมื่อกี้ดูมันเหมือนอ๋อมันเป็นสภาว่าเกิดขอให้เราตั้งให้มันมีสติมันเหมือนการเดินทางการนั่งรถโยบใาถนนเรียบเลยแล้ว ไม่ใช่ถนนจะเรียบเลยไม่ใช่มันเจอหลุมเจอบอ่อธรรมดาสะเทือนบ้างเออนั่งสมาธิแล้วก็ประมาณนั้นแหละออมันก็ผ่านผ่านผ่า น, า น, านเราอย่าไปยึดมันสามเดือนสี่เดือนมันก็มีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยห้าเดือนหกเดือนก็เปลี่ยนไปแต่ใจต้องตั้งสติต้องระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็วาง รู้แล้วก็วางนั่นคือการรู้ที่สูงสุดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอย่าไปพุ่งแตกมันเป็นระยะทางที่เรารู้แล้วก็วางเหมือนกับนั่งรถสองฝากฝั่งที่เรามองเห็นจะมีอะไรปรากฏรู้ขึ้นมาก็อย่าไปยึดติดวางถางั้นโยมจะเป็นคนฟุง้งซ่าน เดี๋ยวเห็นอย่างงั้นเดี๋ยวรู้อย่างงี้มานั่งคุยหาตกเข็บอยู่ไม่ใช่ละหลงทางละอีกไม่นานเกิดวันไหนมานมาหลอกทำไงเขาแต่งตัวมาเป็นเทพประวดเทพธ่ดานหรือแต่งเป็นยืมรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะทำยังไงอย่อยบอกพระพุทธเจ้ามาหาเนี้ยถูกหลอกนะไม่ได้แต่มา เคยเจอไม่ใช่ไม่เคยเจอแต่ามานิ่งตื่นรู้แล้วก็วางธรรมของผู้ได้เจ้าสุดท้ายคือปัญญาอันรู้แจ้งดับทุกข์ได้ไม่ใช่รูปปรากฏนี้ไม่ใช่แก่นที่ต้องยึดถือเป็นแค่นิมิตมาปรากฏไม่ควรยึดถือรู้แล้วก็วางมานหลอกเราไม่ได้ โลกแห่งวิญญาณทั้งหลายโลกมิติแห่งการภาวนาต้องระวังนะอย่าทึกทักนะไม่ได้ถ้าทึกทักแล้วไปไกลเลยนะที่เขาบอกเพียเพ้ยนๆกันบางทีนั่งคุยคนเดียวบางคนเห็นนั่นเห็นนี่นแล้วพูดคนเดียวเป็นเพราะเขาไม่ตั้งสติไม่เละลือิจิตไม่รู้จักวางแล้วนึกว่าเป็นจริงเป็นจังนั่งคุยกัน อันตรายนะอนธรมาก็เกือบพลาดมาแล้วสมควรเวลาในการบรรยายธรรมก็ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ